แล้วก็บางทีเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพื่อบูชาพระตนะตรยัยเช่นอะไรนะเสียงกลองเสียงกระดิ่งเสียงอะไรที่ฟังแล้วไพเราะอ่ะนะฟังแล้วไม่โกรธฟังแล้วไม่หงุดหงิดฟังแล้วไม่รําคาญฟังแล้วก็สบายใจก็คัดสรรหาเสียงเหล่านั้นนะ่ะเพื่อจะบูชาพระตนะตรยัยหรือให้ยาให้ยาเนี่ยนะยาที่บํารุงเสียงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นแก่พระธรรมกัถึกทั้งหลาย เห็นผู้ที่เขาแสดงธรรมผู้ที่บรรยายธรรมก็หายาเพื่อช่วยบำรุงเสียงเนี่ยนะเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนในเรื่องเสียงหรือประกาศการฟังธรรมเนี่ยนะชักชวนให้คนอื่นฟังธรรมว่าได้เวลาฟังธรรมแล้วเป็นต้นอันนี้ก็ให้เสียงเป็นทานหรืออาจจะตั้งใจสวดสารพันยะตั้งใจสวดด้วยด้วยความตั้งใจนะด้วยคิดว่าไพเราะที่สุดสําหรับตัวเองเนี่ยแ ล, แล้วก็กล่าวไป หรือการกล่าวธรรมกถาการแสดงธรรมเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะว่าเวลาแสดงธรรมเวลาบรรยายธรรมเนี่ยตั้งใจเลยว่าผู้ฟังต้องสบายใจนะต่อใช้คือคือเนื้อหาอาจจะดีแต่การปรับน้ําเสียงยังไงให้คนฟังฟังแล้วสบายใจฟังแล้วไม่เดือดร้อนไม่ใช่ฟังแล้วก็หงุดหงิดน้าคามขึ้นมาทันทีงนั้นบางท่านเขาจะตั้งใจว่ากล่าวธรรมกถาอย่างไร คนฟังเข้าใจเรื่องนั้นด้วยฟังแล้วก็สบายใจด้วยฟังแล้วก็มีความสุขด้วยโดยใช้เสียงเนี่ยเป็นตัวตัวปรับ น, นะนะเพราะเสียงเนี่ยปรับสภาพจิตเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นว่าใช้คำบางคำให้คนลำบากใจได้แล้วทำไมใช้คำให้คนสบายใจไม่ได้ในใช้น้ำเสียงยังไงให้คนฟังสบายใจเป็นต้นหรือการกล่าวธรร ม, มกถาการแสดงธรรมโดยชอบโดยถูกต้องโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเนี่ย เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประสบความสุขและความเจริญบางทีก็แสดงอุปนิสินนักถาหรืออนุโมทนากถาเองหรือบางทีก็ใช้ให้คนอื่นกล่าวอุปนิสินนักถาหรืออนุโมทนากถาแสดงอุปนิสินนักถาก็เช่นว่าเมื่อมีการสมัยใหม่ที่ออาปฏิสันฐานเมื่อมีการพบปะเจอะเจอมีการกล่าวธรรมเพื่อปฏิสันถานต้อนรับเชื้อเชิญหรือ อนุโมทนากระถาก่าวอนุโมทนาชื่นชมในบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาได้กระทำมปาการกระทาอย่างนี้โดยใช้น้ำเสียงเนี่ยนะปรับเน้นที่ตัวเสียงก็เรียกว่าให้เสียงเป็นทาน น, นะเสียงก็เกี่ยวกับการก่าวธรรมแสดงธรรมอนุโมทนาธรรมอะไรก็ได้วนๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการก่าวธรรม หรือโดยที่สุดแม้กระทั่งสมัยนี้เขาก็ให้พวกกระดิ่งเป็นเป็นทานนะนะแกระดิ่งหรือเอาระคงังเอาอะไรเอากลองเสียงกระดิ่งเสียงกลองเสียงระคงังเสียงกังสดานเพื่อที่จะบูชาก็เลือกสรรเอาเสียงที่ไพเราะในที่สุดแต่ว่าไอ้ความไพเราะนี่ถือเอารายบุคคลเป็นประมาณนะอีกคนหนึ่งบอกเพราะอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เพราะก็ได้อีกคนหนึ่งบอกหอมอีกคนหนึ่งเหม็น่างเลยเพราะฉะนั้นไอ้อนี้ก็คือเอาในความรู้สึกของผู้ทําเป็นประมาณเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าให้กลิ่นเป็นฐานล่ะพระมหาบุรุษนั้นได้วัตถุมีกลิ่นหอมที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากรากกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากลำต้นกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากกิ่งใบกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากเปลือกกลิ่นบางอย่างเกิดจากดอกกลิ่นบางอย่างเกิดจากผลก็ถือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกลิ่นหอมเนี่ยนะวัตถุที่มีกลิ่นหอม แล้วก็คิดถึงว่าเราจะให้กลิ่นเป็นทานอย่างบางคนเนี่ยให้น้ํามะพร้าวเนี่ยต้องบอกว่าเขาปรารถกลิ่นนะเขาปรารถรสปรารถอะไรอย่างอื่นหรือปรารถกลิ่นหอมของ น, อน้ํามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยนะบางคนก็จะให้ของอย่างเดียวบางแล้วแต่บางคนปรารถสีบางคนปรารถเสียง 1. บางคนปรารถกลิ่นบางคนก็ปราปรถรสแต่นี้ก็พูดถึงให้ของบางอย่างแล้วปรารถกลิ่นเช่นให้ข้าวบางอย่างปรารถกลิ่นจะให้ข้าวหอมอย่างใดอย่างหนึ่งกันนะ ให้ผลไม้บางอย่างที่ปราลบกลิ่นให้ดอกไม้เพื่อปราลบกลิ่นว่าเรานี้ให้กลิ่นเป็นทานหรือการให้กลิ่นเป็นทานของเราบางทีก็เอาดอกไม้หรือว่าเอากลิ่นบูชาเองหรือว่าให้ผู้อื่นนี่เอากลิ่นบูชาพระรัตนะตรยัยเช่นอาจจะเป็นกลิ่นกฤษณะกลิ่นจันทร์เป็นต้นหรือน้ําอบน้ําหอมนะสมัยนี้ก็เน้นใช้น้ําอบน้ําหอม ก่อนมีพระท่านเอากลิ่นจันไปถวายกันนะกลิ่นจันไปให้ก็เลยวอาเออเอาไปไว้ในห้องพระาธาตุ ก, กันละกันอย่างนั้นกลิ่นจันท่านบอกว่าผมได้มาจากอินเดียว่าถ้ามันกลิ่นแรงเต็มที่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ของแทหรอกของแทมันไม่ได้หอมขนาดนั้นหรอกเางั้นเราก็จะมีกลิ่นแทไม่แทแต่ว่าปรารบกลิ่นหอมก็เรว่าให้กลิ่นเป็นทานเนี่ยนะบางคนก็ เวลาสังเกตดูไปสังเวชนียสถานเนี่ยหลายๆท่านก็จะปรารบเอากลิ่นในยะต่างๆเอาไปเนี่ยนะเอามาทำกรรมมาไม่ดีได้กลิ่นเมื่อไรก็เดือดร้อนที่จริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่จริงอะจมกูกไม่ได้แพ้กลิ่นแต่ว่าคอเนี่ยมันแพนะ้แต่ถ้าได้กลิ่นแล้วก็สบายก็เงียบๆอดให้เสียงเป็นทานเนี่ยนะ เนี่ยมาดูว่าถ้าให้รถเป็นทานนะให้รถเป็นทานก็เช่นได้วัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่ารถที่เป็นทานเนี่ยนะผู้ต่งตามโบราณเนจะถือไล่ตังค์กับรถของรากเช่นพวกเผือกมันเป็นต้นเนี่ยนะไอ้คําว่ารากก็ไม่ใช่ไปเอารากอะไรก็ไม่รู้หมายว่าพวกเผือกพวกมันกลุ่มบริโภคสิ่งบริโภคที่อาศัยรากเป็นหลักกลุ่มบริโภคที่อาศัยตน้นอาศัยเปลือกอาศัยกิ่งอาศัยใบายอาศัยยอ ด, อ า, ยดอาศัยดอกอาศัยผล ทูที่บริโภคได้นะรสเพราะบางอย่างเนี่ยสังเกตดูบนโต๊ะอาหารนี่จะเห็นบางอย่างที่รากเช่นมันเนี่ยนะกลมมันเนี่ยกลมรากนะกลมบางอย่างกลุ่มเปลือกกลุ่มกิ่งกลุ่มใบกลุ่มดอกกลุมล่มผลนะเขาเรียกว่ารสแต่ละอย่างก็ให้รสที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าให้รสเป็นทานอาจจะเป็นพวกเข้าเปลือกหรือว่าอาจจะเป็นจากโครสเช่รนรสนมส้มนมสดรสเนยเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าให้วัดรสเป็นทาน หรือว่ารสกับข้าวต่างๆเนี่ยนะรสกับข้าวแกงต่างๆไอ้แกงต่า ง, ๆ, ง, างๆจริงวัตถุดิบอาจจะไม่ค่อยต่างกันแต่ว่ารสชาติที่แตกต่างกันนั่นเองเรียกว่าปรา ร, รถรสเป็นทานจริงๆอย่างขนมหลายๆอย่างก็แป้งใส่น้ำตาล น, นั่นแหละแต่ว่าทำไมรสมันแตกต่างกันออกไปเพราะ ว, าวิธีการปรุงที่แตกต่างกันไปการปรารกแต่ละอย่างเรียกว่าให้รสเป็นทานให้รสะเป็นทาน ส่วนการให้โพธิภพเป็นทานเนี่ยนะให้โพธิภพเป็นทานก็ทราบด้วยเช่นให้เตียงให้ตังให้เตียงจะได้นั่งให้สบายนอนให้สบายหรือให้เครื่องลาดผ้าคลุมเป็นต้นเนี่ยนะให้พวกที่ที่พักอะนะที่นั่งให้สบายที่วางเท้าสบายพวกเตียงตังพวกเครื่องลาดพวกหมอนอะนะพวกกลุ่มทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าให้โพธิภพเป็นทาน พระมหาบุรุษนั้นได้วัตถุเป็นโพธิภพที่ไม่มีโทษของที่จะให้ต้องเป็นของที่ไม่มีโทษเป็นของที่น่ายินดีมีสัมผัสสบายมีเตียงหรือตังฟูกหมอนเป็นต้นหรือว่าเครื่องนุ่งห่มมีผ้าวัตถุที่นุ่งห่มผ้าเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็พิจารณาคิดว่าเราจะให้โพธิภพเป็นทานโพธิภพเป็นทานของเราเนี่ยก็เลยให้แก่ทักกินายะบุคคล สังเกตดูนะท่านใช้คำว่าทักษินัยบุคคลตลอดเพราะบุคคลผู้ควรแก่ทักษีนาทานที่เรียกว่านาบุญเพราะอย่างที่ในนี้ก็บอกว่าทานที่เลือกให้พระสุคตสรรเสริญฉนั้นการให้ของพระองค์นี้ก็เลือกให้โดยเฉพาะเน้นพิเศษก็คือผู้ควรแก่ทักษินัยบุคคลเหมือนกับชาวนาผู้ฉลาดเลือกเลือกอะไรเลือกทานาฉะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวก็หวานทั่วไปหมด ไม่ใช่ก็เรียกว่าเลือกนาธรรมฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็ให้เป็นเยนะท่านรู้จักว่าไหนเป็นทักษินายะบุคคล น, นะแล้วก็ให้กับบุคคลแต่ละอย่างนั้นมีผลเช่นใดอันนี้สงเช่นใดท่านก็รู้ตัวนะว่าให้โพธพภพเป็นทางก็คือให้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสที่สบายส่วนให้ทาเป็นทานรรมทานในที่นี้คือธรรมรมนะไม่ใช่ให้ธรรมะที่เรียกว่าแบบ อริยสัจจะทำนะแต่หมายถึงให้ธรรมารมณ์ให้ธรรมารมณ์นั้นอะไรคือเรียกว่าธรรมารมณ์ไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพธภิภพที่เหลือจากนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์คือการให้ไม่ใช่ปรารภสีไม่ใช่ปรารภเสียงไม่ใช่ปรารภกลิ่นปรารภรสปรา ร, โรภโพธิภพอันนั้นแหละเรียกว่าให้ธรรมทานเช่น ให้อชาเนี่ยนะอชาเรายียกอรเขาให้พวกวิตามินแร่ธาตุสารอาหารเป็นทานแปรลบวิตามินแร่ธาตุสารอาหารอันนี้เรียกเรียกว่าให้โอชะให้โอชะหรือน้ําดื่มเนี่ยนะน้ำเนี่ยอาโ ป, โปธาตุนี้นับว่าเป็นธรรมทานนะให้น้ําเป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทานเพราะอะไรเพราะน้ํานี่เป็นธรรมรมณ์เรียกว่าให้ธรรมาอารมณ์เป็นท า, านพอท่านได้ของที่ควรให้เนี่ยนะเช่นไม่ว่าจะเป็น ของมีรถอร่อยเนยใสเนยข้นเช่นปรารพความหวานความหวานมันเป็นอะไรทานถ้าถ้าปรารพหวานรสะใช่ไหมแต่ถ้าปรารพคุณค่าล่ะการให้ที่ปรารพคุณค่าของเนยใสเนยข้นพวกนี้ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานหรือให้น้ำผลไม้เนี่ยนะการปรารพน้ำผลไม้น้ำมะม่วงอ่าเช่นน้ำมะม่วงน้ำองุ่นเป็นต้นการให้น้ำเหล่านี้เป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทาน เพราะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสพธทพะรพอย่างอื่นเนี่ยนะเลยเรียกว่าให้ธรรมทานหรือบางทีก็ให้ชีวิตเป็นทานปรารภชีวิต เ, เช่นให้ข้าวปรารภเขาจะได้มีชีวิตยืนยาวสลากกับพัดปักขิกัพัดเป็นต้นเนี่ยนะหรือหายาให้แก่คนเจ็บป่วย ทำลายพวกตะข่ายตะข่ายที่เขาดักสัตว์เนี่ยนะตะข่ายเครื่องดักสัตว์เป็นต้นก็ทําลายทิ้งซะอันนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมทานหรือหรือใส่ดักปลาเปิดกรงน ก, เ, ก, งนกเรียกว่าพวกปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ให้พ้นจากเครื่องถูกพวกนี้ก็ให้ทําเป็นทานให้อะไรก็คือให้ชีวิตตินรีเนี่ยนะให้ปลารบชีวิตก็ให้ทําเป็นทานหรืออาจจะตีกรงเปล่าประกาศห้ามฆ่าสัตว์เป็นต้นมาให้มีการฆ่าสัตว์ ณเขตแถวนี้ห้ามมีการฆ่าการประกาศลักษณะนี้ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานให้อภัยทานให้ชีวิตเป็นทานนั่นเองก็ทำเองแล้วก็สั่งให้คนอื่นทำเพื่อป้องกันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะช่วยปกปากรักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากอันตรายช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความเจ็บปวดการให้แบบนี้เรียกว่าให้ธรมธนะธรมทานธรรมทาน ถ้ามหาบุรุษนั้นน้อมทานสัมปทาเรี่ยว่าความถึงพร้อมด้วยทานอย่างที่กล่าวมาแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์โลกเพราะว่าการให้ทุกอย่างนนาเนี่ยนะคว่าไอ้ให้ๆเนี่ยไม่ใช่รายละเอียดน้อยนะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการให้เนี่ยมากมายแต่การให้เหล่านั้นสรุปว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้รับในขณะที่เขาได้ เพราะคนที่ได้รับประโยชน์นี่ก็ถือว่ามีความสุขมีความสบายในขณะนั้นและก็ยังน้อมอีกว่าผลแห่งการให้เหล่านี้จงเป็นไปเพื่อช่วยให้สรพพสัต์นั้นได้รับประโยชน์ยิ่งกว่านี้โดยเฉพาะรับประโยชน์ที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลเป็นต้นอันหนึ่งน้อมทานเรียกว่าน้อมบุญเนี่ยนะน้อมบุญยสัมปทา เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณของตนว่าด้วยบุญด้วยผลแห่งการให้ทานครั้งนี้ผลแห่งทานน ก, กุศลเหล่านี้จงเป็นไปให้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องด้วยตัวเองเพื่อจะสั่งสอนมวลเวนยสัตว์ทั้งหลายการให้ทานเหล่านี้เพื่อวิมุติไม่กำเริบเพื่อการตรัสรู้โดยไม่กำเริบ การให้ทานเหล่านี้ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีฉันทะในการประกอบในกุศลธรรมให้มีความภาคเพียรในการประกอบกุศลธรรมให้เจริญสมาธิเพื่อประกอบกุศลธรรมเนี่ยนะให้เป็นสมถะวิปัสนาแสดงว่าการให้ของท่านให้เพื่อให้กุศลเจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเป็นการให้เพื่อบ่มกุศลในระดับสูงให้กุศลชั้นสูงเนี่ยเจริญเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นการให้เพื่อมีปฏิภาณ เราว่าอะไรนะให้แล้วตั้งความปรารถนาขอให้มีปัญญาให้แทงตลอดวิมุติไม่กำเริบให้มีใจยินดีในการประกอบกุศลธรรมให้มีความภาคเพียนความพยายามไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกุศลธรรมขอให้ไม่ฟุ้งซ่านในยามที่เจริญกุศลธรรมให้มีปฏิพาณสติปัญญาไม่ติดไม่คล้องให้มีความรอบรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันในที่สุดได้ตรัสรู้ความหลุดพ้น อันไม่กําเริบทำเป็นที่สิ้นปลายแห่งสังสารทุกข์ขณะเดียวกันเนี่ยนะที่ท่านให้ฐานได้เนี่ยถามมาเพราะอะไรเพราะว่าท่านเน้นปรากฏถึงความไม่จีรังยั่งยืนในชีวิตคือเรียกว่ามีอนิจจสัญญาในชีวิตเห็นความไม่จีรังยั่งยืนเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ของโผคะ ก็คือเหตุที่จะทำให้ชีวิตสิ้นไปนี่มีมากเหลือเกินเหตุให้ทรัพย์สูญเสียหรือเหตุให้ทรัพย์เสียหายก็มากอย่างเช่นเหตุให้สิ้นชีวิตมีอะไรบ้างถ้าไม่มีใครมาฆ่าแต่ธาตุสีภายในมันกำเริบก็ตายระบบลมหายใจมีปัญหาก็ตายอาหารมีพิษเป็นพิษเป็นต้นก็ ตายอิรยาบทที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมเป็นต้นก็เป็นเหตุให้ตายตายเพราะฆ่าตัวตายมัางตายเพราะคนอื่นทำให้ตายเป็นต้นเัตุสาเหตุแห่งความตายนี่มีมากเท่าว่าเสนาแห่งมัจจุราชบริวารแห่งความตายนี่มีมากขณะเดียวกันเหตุที่จะทำให้ทรัพย์เสียหายก็มีมากอย่างเช่นฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนเป็นต้น น, นะเหตุที่ทาให้ทรัพย์เสียหายโดยฝนเป็นต้นเป็นปัจจัยก็มิใช่น้อย เฉั้นชีวิตก็เป็นของไม่ยัง่งยืนพวคทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็เป็นของไม่แน่นอนขณะเดียวกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นของสาธารณะทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นของสาธารณะเป็นของแก่คนหมู่มากเช่นถนนนี่ถือว่าเป็นของสาธารณะฉันใดตรอกซอกซอยทั้งหลายโดยรวมก็ถือว่าเป็นของสาธารณะฉันใดทรัพย์ในโลกนี้ก็คือทรัพย์คือาธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยท่านบอกว่าเป็นของสาธารณะ ฉันนั้นถ้าหากว่าไม่ทำบุญก่อนแล้วนะถามว่ามันสิ้นชีวิตก่อนเนี่ยนะจะเป็นยังไงสองถ้าเราไม่ทำบุญทรัพย์มันก็สิ้นหลายคนเขาบา่ว่าอย่างนี้นะอุ้ยเนี่ยถ้ารู้อย่างงี้เมื่อก่อนสมัยมีทรัพย์มาพูดอะไรเนี่ยนะบอกถ้าไม่ทำนมหกนะแม้จะให้นมเป็นทานเป็นต้นเนี่ยนะก็คือว่าหกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะบางคนเขาบอกโอ้เนี่ยถ้า ซับยังเหลือโอ้ยได้ทําบุญเยอะแยะเลยพูดตอนหมดนะถ้ามีจริงก็ไม่ให้หรอกนะเพราะมีก็ไม่ได้คิดจะให้อะไรเท่าไหร่แต่ก็อ้างไอที่มันหมดไปแล้วเนี่ยนะรู้อย่างงี้ให้ทานสั ก, ก็ดีประาณนั้นแต่ถ้ามันเกิดไม่หมดจริงก็ไม่ให้อีกตามเดิมคือบางคนนั้นจะมีเหตุผลจนให้ไม่ได้นะแล้วก็อ้างไอ้ที่มันสูญเสียไปนี่แหละโอ้ถ้ารู้งนี้ให้ทานสักก็ดีนะ มันท่างก็รู้เลยว่าชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนโภกกระซย์ทั้งหลายก็เป็นของไม่แน่นอนเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของสาธารณะอย่างสตังทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่มือใครก็ของคนนั้นเนยวก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยอ่ะนั้นของใครใช่นะั้นข้าวปลาทั้งหลายอาหารทั้งหลายที่เราบริโภคก็เหมือนกันที่วางตาม ร้าทั้งหลายก็แล้วแต่มันของสาธารณะผู้ใดมีบุญก็ใช้ไปบริโภคไปเนี่ยนะรถทั้งหลายก็เหมือนกันของสาธารณะนีเป็นเปลี่ยนกันใช้เรื่อยเนี่ยนะก็เลยไม่ใช่ไปร่วมของใครกันแน่ก็ถือว่าเป็นของที่เป็นสาธารณะเพราะันถ้าเราไม่น้อมไปเพื่อเจริญบุญเจริญกุศลเป็นต้นก็ ก็น่าเห็นใจแหละพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านคิดอย่างนี้เสมอว่าชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนพวกทรัพย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทรัพย์ในโลกก็เป็นของสาธารณะทําอย่างไรให้ทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ภายนอกเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกมาให้เป็นทรัพย์ภายในขณะเดียวกันท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความเดือดร้อน ท่านก็เลยมีการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างเนืองๆว่าช่วยยังไงช่วยปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความเดือดร้อนได้อย่างไรด้วยการุณาท่านก็เลยถือเอาทรัพย์สินที่ควรถือเอาไปได้เนี่ยนะขณะเดียวกันท่านก็ปารบเลยเหมือนอะไรเหมือนบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้บ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะทรัพย์สมบัติใดๆที่เจ้าของขนออกไปได้ อันนั้นแหละจะเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนที่เหลือก็ถูกไฟไหม้ฉันใดเมื่อโลกถูกไฟคือชราและมรณะแผดเผาไฟคือโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นแผดเผาของที่เขาเอาทําบุญให้ทานบริโภคเองหรือทําบุญเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของที่เรียกว่าติดตามตัวเข้าไปส่วนที่เหลือถามว่ามันเป็นของใครที่จริงๆของใครแท้ๆมันก็ไม่มี น, นะก็อันตรธานไปอย่างนั้นแหละ ขณะเดียวกันการให้ของท่านนี่ให้แบบไม่เพ่งเล็งให้แบบไม่อาไลอาวณ์ให้แบบไม่ใช่ให้ปรรบอย่างอื่นให้เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวมานั้นเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นการให้เพื่อโพธิญาณนี่เป็นการให้คาว่าให้ให้ในที่นี้เน้นว่าเกี่ยวกับเกี่ยวเริ่ม มหาภูตรูปะนะเกี่ยวกับดินน้ำไฟลมแค่นี้แหละอันนี้ปา ร, รบเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกทีนี้มาเรื่องเกี่ยวกับละเอียดลงไปกว่าดินน้ำไฟลมก็คือเกี่ยวกับเรื่องศีลศีลก็ละเอียดขึ้นไปอีกเพื่งทราบลำดับแห่งการปฏิบัติศีลบารมีพระมหาบุรุษผู้ประสงค์จะตบแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับคือศีล เครื่องประดับประดาตบแต่งของสัรพรสัตว์จริงๆเนี่ยนะก็คือศีลใครที่ไม่มีศีลเรียกว่าไม่มีเครื่องเครื่องประดับอะไรเลยนะคนที่ไม่มีเครื่องประดับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่งดงามฉันใดคนที่ไม่มีศีลก็ฉันนั้นเครื่องประดับของสัตว์ทั้งหลายก็คือศีลแล้วถามว่าศีลของพระพุทธเจ้าล่ะศีลแบบศีลสูงสุดศีลของผู้บรรลุสัพพัน ญ, ญูศีลของ ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นควรจะเป็นศีลระดับไหนแค่ไหนเครื่องประดับควรจะอลังการขนาดไหนพันก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องชำระศีลตั้งแต่เบื้องต้นก่อนชำระศีลตั้งแต่เบื้องต้นเพราะว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ห่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่มาโดยการสั่งสมบุญบารมีสั่งสมบุญกุศลมาตลอดระยะเวลาอันเนิ่นนาน ถามว่าปกติศีลเนี่ยนะมีความบริสุทธิ์อย่างไรบอกว่าศีลเนี่ยย่อมมีความบริสุทธิดด์โดยอาการสี่อย่างความบริสุทธิ์แห่งศีลเนี่ยนะมีโดยอาการ4ี่อย่างหนึ่งเพราะความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยสองบริสุทธิ์เพราะสมาทานสาเพราะไม่ก้าวล่วงสเพราะเมื่อก้าวล่วงก็ทำให้เป็นปกติคือทำคืนซะพลาดแล้วก็พลาดไปแต่ก็ทาคืน อันดับแรกก่อนเนี่ยนะบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยมีอัธยาศัยไม่น้อมไปเพื่อการฆ่าไม่น้อมไปเพื่อการลักไม่น้อมไปเพื่อการประพฤติผิดในการไม่น้อมไปเพื่อการพูดเท็จ ด, ดื่มน้าเมาไม่น้อมไปเพื่อพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเพ้อเจ้อเพราะว่าอัธยาศัยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นมีอัธยาศัยไม่ยินดีในการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เครว่า ดีโดยอัธยาศัยเรียว่าดีโดยอัธยาศัยเป็นคนที่มีอาศัยที่ดีอยู่แล้วแต่ศีลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศีลมันเป็นประโยคะเป็นความประพฤติเป็นพฤติกรรมแต่คนที่จะรักษาพฤติกรรมได้ดีก็ต้องมีอัธยาศัยที่ดีอยู่แล้วอัธยาศัยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยทาให้พฤติกรรมนั้นดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบางครั้งอัธยาศัยไม่ค่อยดีเจอบางเหตุการณ์เนี่ย ม, มันก็อยากฆ่าเหมือนกันนะ mm hmm. เจอบางเหตุการณ์เข้าั้น บางทีก็ไม่ได้ลักเอาไปใช่หรอกแต่ว่าต้องการทําลายทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะต้องการสร้างความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีการสมาทานกันละนะก็ต้องมีการสมาทานมีการอธิษฐานมีการปรารบไว้อย่างเสมอก็ต้องสมาทานมันหลายท่านก็สมาทานบ่อยๆสมาทานเนืองๆหมั่นสมาทานการสมาทานแต่ละครั้งก็เพื่อเพิ่มอัธยาศัยด้วยนะอัธยาศัยจะได้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น การสมาทานนั้นถือว่าเป็นเหตุให้ไม่ก้าวล่วงเมื่อไปประสบไปพบเจอเจอเป็นต้นก็ไม่มีการก้าวล่วงบางครั้งถ้ามีความพลั้งพลาดไปแล้วอันนี้ท่านไม่ได้สอนให้พลาดนะแต่หมายว่าถ้าพลาดไปแล้วทำไงท่านก็บอกว่าทำให้เป็นปกติเรียบสมาทานเหมือนอย่างว่าเด็กอ่อนนอนแบเบาะถ้าหากว่าเหยียดมือไปเจอไฟเนี่ยเด็กเหล่านั้นจะทาอย่างไรเรียบหดคืนฉันใด ผู้ที่เห็นโทษของการล่วงศีลก็เหมือนกับเห็นโทษของการยื่นมือเข้าไปใส่กองไฟแล้วก็รีบทําคืนรีบสมาทานปรารบทําคืนฉะนั้นะนะมันก็พลาดได้มันก็ผิดได้แต่ก็รีบทําคืนเหมือนกับคนที่ทําำซั์ตกเนี่ยนะคนที่ทําทรัพย์ตกถามว่าเขาจะรีบเก็บคืนไหมฉันใดก็เห็นตกก็ตกไปสิมันตกแล้วอะทําไงก็รีบเก็บคืนรีบสมาทานรีบอธิษฐานกปากปักรักษาไม่ให้มีการพลังพลาดไม่ให้มีการ ต่อไปถ้ามีการพลั้งพลาดอีกก็รีบทำคืนอีกฉนั้นเนี่ยนะทนศีลของผู้ที่ทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยนะทนพยายามตั้งอัธยาศัยให้อย่างที่อย่างที่เราตั้งความปรารถนาะขอให้เป็นผู้มีศีลรักศีลอ น, น, นก็ขอให้มีศีลอยู่ตลอดให้ใจเป็นไปกับศีลให้ใจยินดีกับศีลให้เป็นคนที่รักศีลชื่นชมในคุณงามความดีที่เป็นไปกับศีลเนี่ยนะก็ลักษณะนั้น คนที่มีอัธยาศัยแบบนี้ทําให้ศีลมีความบริสุทธิ์ยิ่งย่งขึ้นไปปกติแล้วศีลเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่ทําให้มีศีลหรือเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดศีลก็คือหิริกับโอตปะฮิริโอตปะถือว่าเหตุใกล้แห่งศีลอย่างบางคนเนี่ยมีฮิริเป็นเหตุใกล้ให้รักษาศีลเช่นมีตนเป็นใหญ่พวกนี้เกรงใจตัวเองที่สุดนะนะพวนี้ไม่เกรงใจใครหรอก บอกโลกนี้เกรงใจคนเดียวว่างั้นใครอ่ะบอตัวเองคนที่เกรงใจตัวเองประเภทนี้แหละเขาเรียกว่าคนมีฮิริเนี่ยคนมีฮิริเพราะนั้นก็เกลียดที่ตัวเองจะต้องไปทําบาปเรียกว่าคนที่เคารพตนนับถือตนถามว่าพอใจไหมที่ตนต้องไปเปื้อนบาปไม่ชอบเนี่ยนะอย่างใครที่รักสวยรักงามชอบไหมที่จะมีแผลเป็นเต้มไปหมดเลยแล้วชอบไหมไม่ชอบฉันใดเขาก็เห็นโทษของความทุศีลฉันนั้น ก็เลยเกลียดบาปยังฮิริปรารบภายในก็เลยทําให้สมาจารความประพฤติทางกายก็บริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาก็บริสุทธิ์แปลว่าพวกนี้กลัวประวัติตัวเองเสียเนี่ยนะรับประวัติตัวเองมากกลัวประวัติตัวเองจะใครอ่ะใครเป็นคนสอบประวัติตัวเองบอกตัวเองนั่นแหละสอบประวัติตัวเองบ่อยๆกลัวว่าจะตัวเองจะเสียประวัติตัวเองเมื่อตัวเองเสียประวัติความเคารพในตัวเองจะลดลงจะว่าเหมือนคนมีมานะมากเหมือนแต่ไม่ใช่ เพราะว่าถ้ามีมา n ะจริงๆมันก็เอาไว้ข่มคนอื่นใชเอาไว้ลําพองเอาไว้แบบพองลมไปอย่างนั้นแต่นี่หมายความว่าเป็นคนที่เคารพตนปรารบตนก็เราเป็นอย่างนี้เราจะไปทําบาปอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะลักษณะ น, นี้เรียกว่ามีฮิริเรียกว่าปรารบภายในเป็นเป็นหลักเนี่ยนะเรียกว่าเกรงใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองและอายใจที่ตัวเองจะต้องไปทําบาปและอายใจตัวเองที่ต้องไปทํอาอกุศลก็มัน สมาทานบ่อยๆเนี่ยนะพวกนี้เกรงใจตัวเองมากรับถือตัวเองมากเกรงใจคนอื่นนะไม่เท่าไหร่หรอกเกรงใจตัวเองเนี่ยสูงที่สุดเขาบอกว่าคนอื่นตําหนิบ้ก็ช่างปะไรแต่กลัวที่สุดกลัวตัวเองตําหนิตัวเองเนี่ยนะให้รู้เถอะว่าพวกนี้เคารพตนเนี่ยนะเคารพตนไม่ใช่คนที่เคารพตนหรือเรียกว่าอัตตาที่ปไตยจะเลวนะไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าแบบนี้เลวนะอัตตาที่ปไตยเนี่ยเรียกว่ามีตนเป็นใหญ่พวกมีตนเป็นใหญ่เนี่ยพวกนี้มีฮีริ บางคนเนี่ยรักษาศีลเพราะมีหฮเร่เนี่ยนะส่วนบางคนเนี่ยพวกนี้มีโรคเป็นใหญ่ที่เรียกว่าโลกาธิปไตยโลกในที่นี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเอาพวกอย่างอื่นเนี่ยหมายถึงเกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจพระอรหันต์ทั้งหลายเกรงใจผู้มีพระคุณทั้งหลายก็เลยทําบาปไม่ได้พวกนี้ไม่ยอมทําบาปเพราะเกรงใจหรือเกรงกลัวหรือเคารพผู้มีพระคุณทั้งหลายสะดุ้งเนี่ยนะสะดุง้ง ไม่ยอมทําบาปไม่ยอมทําความชั่วด้วยกายวาจาเป็นต้นก็เพราะเพราะอะไร <Wong. S 2> เพราะปรารพ บ, บอกโอ้เนี่ยถ้าเราทําชั่วแล้วเราจะไปเฝ้า pounds, พระผู้เทอเจ้าได้อย่างไง <exploration> เราจะไปฟังธรรมพระองค์ได้อย่างไรถ้าเราทําชั่วเราจะมีหน้าบากหน้าไปหาพ่อหาแม่ได้อย่างไงถ้าเราทําความชั่วอย่างนี้พบหน้าพ DNS, าี่ไม่ได้หรอกถ้ า, าทําชั่วแบบนี้พบหน้าเพื่อนดีๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าเราทําชั่วย่างนี้พบครูบาอาจารย์ไม่ได้ไม่กล้าไปเจอหน้าครูบาอาจารย์หรอก ทั้นี้เขาเรียกว่าถือโลกเป็นใหญ่ก็เลยทําให้ตัวเองรักษาศีลได้เป็นอย่างดีบางคนที่เขารักษาศีลดีเขาเพราะปรารภพวกพี่พวกพ้องลุงป้านะอาครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือปรารภพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ยอมทําความชั่วนี่เครียกว่าเป็นคนมีโอดตะปะเรียกว่าเกรงใจคนอื่นก็เลยไม่ยอมทําบาปเนี่ยนะและอีกอย่างหนึ่งก็กลัวตกนรกด้วยนั่นแหละ